ภาวนานะภาวนาแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาพี่คนพีการช่วยตัวเองไม่ได้ใจมันก็ยังมีที่พึ่งใจมันไม่ว่าเวยคน ท, ทั่วไปเนี่เลยโอ้ไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งเวลาชีวิตมีปัญหามีทุกซ้ำซ้อนทุกในร่างกายทุกความเป็นอยู่ทุกทางใจอีก ถ้าฝึกของเราดีแล้วนะมันมีแต่ปัญหาข้างนอกปัญหาทางร่างกายปัญหาสุขภาพปัญหาการงานการเงินปัญหาครอบครัวแค่แค่ปัญหาแต่ไม่ทุกปัญหาก็ส่วนปัญหาทุกก็ส่วนทุกคนละอันกันเมื่อเช้าพอเข้าใจบ้างไหม ถ้าฟังซีดีหลวงพ่อเราก็หัดดูตามเนี่ยเดือนสองเดือนชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนนะจะได้หลักของการปฏิบัติไปจะได้หลักของการปฏิบัติเราลงมือปฏิบัติทําให้สมควรแก่ทำมี่จะได้ผลในเวลาอันสั้นมีตัวอย่างให้ดูนะอย่างหลวงพ่อคําเขียนอย่างอไรเงี้นะป่วยแสนสาหัสเลยก็มีความสุข ความเจ็บไข้กระทบได้แต่ร่างกายกระทบเข้ามาไม่ถึงใจที่มันฝึกไว้ดีแล้วพวกเราก็เป็นได้มันไม่ใช่ผูกขาดมากเฉพาะพระเท่านั้นที่จะทำได้เราพาะก็ทำได้นะท่าามีคำว่าท่าสองอย่างท่ารู้วิธีรู้หลักของการปฏิบัติแต่ท่าปฏิบัติตามหลักนะให้มากพอ คารวะที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะนะอย่าว่าแต่คารวะเลยพระ ก, ก็เหมือนกันไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติแท้ๆไปปฏิบัติเราก็มั่วไม่ได้ผลนะเหนื่อยแสนสาหัสเลยไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมาหรือปฏิบัติบ้างหยุดบ้างเว้นไปเรื่อยๆนานๆมาทําทีหนึ่งบอกว่าภาวนานมาหลายปีแล้วจริงๆรวมเวลาที่ภาวนานแล้วนิดเดียวเองไม่กี่วันแล้ว อย่างวันหนึ่งทําชั่วโมงหนึ่งยี่สิบสี่วันนะได้วันหนึ่งคนอื่นเขาภาวนาสุวิวันหนึ่งสิบหกชั่วโมงกนะ็สองวันเขาก็เกินเราเดือนหนึ่งละภาวนาไงวละสิบหกชั่วโมงภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับนะแบ่งเวลานอนไว้ให้ตั้งแปดชั่วโมงละเวลาที่เหลือก็มีสติไปเห็นกาทํางานเห็นใจทํางานไปเรื่อยๆจะไม่ช้านะจะไม่ช้า ฆราวาสก็ทําได้นะถ้ารู้รู้หลักรู้วิธีแล้วก็ทําให้มากพอทำไมพูดเต็มปากเต็มคำหลวงพ่อทําทมาตั้งแต่เป็นโยมภาวนาเนี่ยแล้วไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์ยังไปส่งหลวงพุทธเนี้ยพระยังถามเลยว่าโยมทําได้ไงโยมภาวนาปีหนึ่งปีหนึ่งมาส่งกันบ้านทีหนึ่งปีหนึ่งภาวนาได้อย่างนี้ พระทํา1 0ปี20ป่ปีไม่เท่านี้นะอย่างี้บอกท่านตรงๆผมทำทั้งวันทำได้แต่ตื่นตื่นนอนปุ๊บเนะี่ยเห็นจิตเนี่ยเคลื่อนขึ้นจากผวังจิตเคลื่อนขึ้นมาจิตผุดขึ้นมาก่อนรู้สึกตัวเข้ามายังไม่รู้ว่าคืออะไรเลยแล้ความรู้สึกตัวคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นได้แล้ก็ความรู้สึกเนี่ยสัมผัสเข้าที่ร่างกายร่างกายถึงปรากฏ จิตปรากฏขึ้นมาก่อนแล้วมันแผ่ความรับรู้ออกไปร่างกายก็ปรากฏขึ้นก็เห็นในร่างกายอยู่ในอีเยาบทรอะไรก็เห็นเห็นตั้งแต่ตื่นนอนส่วนจิตนะเห็นตั้งแต่ก่อนตื่นจะอาบน้ําก็พอนาอย่าอากาศเย็นๆหลวงพ่อคนโบราณอาบน้ําในตุ่มหน้าหนาวเงี้ยเห็นตุ่มน้ําใจสยองกลัว คนจีนเวลาหนาวหนานะต้องอาบน้ำนก็น่ากลัวนะถ้าไม่มีน้ำร้อนอาบ <c oughs> แค่เห็นน้ำเราก็กลัวแล้วใจมันกลัวรู้ว่ากลัวเดี๋ยวนี้มันสบายไปหมดนะมันไม่ค่อยมีอะไรให้ดูมีแต่ความสุขสบายดูยากความลำบา ก, กดูง่ายความทุกข์ภาวนานง่ายความสบายภาวนานลำบากลาบากกันคนละข้างนะ อย่างเราลำบากทางร่างกายในจิตใจเราคล่องแคล่วถ้าร่างกายเราสบายอย่าจิตใจมากอย่าอึดอึดไม่ได้เรื่องแค่อาบน้ำก็ภานาดได้ลนะอย่างหน้าหนาวอากาศหนาวจัดอาบน้ำเย็นเนี่ยขันแรกเนี่ยเป็นขันที่น่ากลัวที่สุดตักอาบเป็นขันขันในนี้อาบฝักบัวไม่มีขันน้ำมีเป็นขันขันก็ดีนะ เราจะเห็นความต่างของจิตเป็นสเต็ปสเ็ป เ, เลยอาฝักบัวเนี่ยดูยากมันไม่มีช่องว่าง <c oughs> ขันที่หนึ่งน่ากลัวสุดฉีดขันที่สองก็ยังน่ากลัวอยู่ถัถสบูส่ใส่ก็ยังสยองนะความกลัวเนี่ยลดลงลดลงอาบน้ําเสร็จปุ๊บเช็ดตัวตัวอุ่นนะมีความสุขแล้วขันท้ายๆก็ดีใจแล้รีบตักใหญ่รีบลาดเร็วๆขันแรกเนี่ยเจลาด น, นีนต้องรีรอ วักขึ้นมาหน่อยนะตอนไททายจะเสร็จแล้วรีบตักใหญนะ่นี่ก็าภาวนาจะกินข้าวก็ภาวนาดูของกินมีของกินหลายอย่างไม่รู้จะกินอะไรดีเห็นใจโลภอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินเคยเป็นไหมไอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินสุดท้ายไม่รู้จะกินอะไรดี กลับกันบางวันนะไอ้ น, นี่ก็ไม่น่ากินไอ้ น, นี่ก็ไม่น่ากินน ะ, ะบางวันของน่ากินอะแต่ไม่อร่อยเคยมีไหมทำดูสวยๆนะน่ากินไม่อร่อยหรอกคนทำทาไม่เปลี่ยนหรอก ใ, ใจนะั้นจะพลิกตลอดเวลาเลยพลิกไปพลิกมาตามองเห็นอาหารที่ชอบก็ดีใจชิมเข้าไปแล้วลินกระทบรถแล้วรถไม่ถูกใจเปลี่ยนจากพอใจนะเป็นไม่พอใจพลิกไปพลิกมา เราเห็นจิตขึ้นไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนั่งรถไปรถติดกลุ้มใจใครรถติดแล้วดีใจบ้างมีไหมอา้าวถ้าเขาจะเอาตัวไปยิงเป้านะรถติดก็อาจจะดีใจก็ได้นะไม่ถึงสักทีรถติดนะเวลาติดไฟแดงส่วนใหญ่มันติดอะไรรถแหละรู้ไหม ส่วนใหญ่มันติดคันหน้าติดไฟแดงเนี่ยเป็นรองแต่ว่ามันติดคันหน้าไฟไม่ได้ไฟแดงก็นานติดทีแต่คันหน้ามันติดไฟแดงอีกทีงก็ได้เวลาที่เราติดไฟแดงคันที่หนึ่งเนี่ยเป็นวาระแห่งความเจ็บแขนนึก อ, ออกไหมเจ็บใจโออีกเลยวันนี้อีกนิดหนึ่งก็พ้นละหรือ โมโหเลยด่ายคันสุดท้ายนะเมืองอ่า ง, งุ้มง่ามกูเลยไม่พ้นนะ เ, ออเห็นไหมติดไฟแดงคันแรกเนี่ยแค้นที่สุดคันที่ห้าคันที่หกนะค่อยพอทําใจได้คันที่ร้อยเคยไหมติดเป็นกิโลเลยคันที่ร้อยเห็นไฟเขียวนะใจยังเฉยเลยไม่พ้นหรอกนะไม่พ้น อ, อ่นะนนะงั้นติดคันท้ายๆนะําไม่กลุ่มใจเท่าไหร่นะติดคันแรกเนี่ยแค้นที่สุด ไม่รู้จะแคร์ใครก็แคร์ไอ้คนขับก่อนหน้าเรา น, นี่ก็ภาวนานะเห็นใจมันเปลี่ยนแปลงมีพระผู้ใหญ่วงหนึ่งท่านบอกว่าเนี่ยผมฟังอาจารย์ประโมทเทศแล้วอาจารย์ประโมทเนี่ยเข้าถึงจิตใจคารวาะท่านสรุปเลยเพราะอาจารย์ประโมทเป็นคารวะมานาน ผมบวชมาแต่เด็กเป็นเนนนะผมไม่เข้าใจคารวะเวลาเทศนะเหมือนกลางหนังสือเทศให้ฟังบอกมันไม่ได้อัธรรนะเรื่องรถติดไฟแดงนะให้พระที่บวชแต่เป็นเนนมาดูไม่เข้าใจอะติดไฟแดงไม่เห็นเป็นไรเลยก็พูดโทไปสิไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลย <laughs> นะนะอะ <laughs> งั้นเราภาวนานะกินข้าวก็ภาวนาได้นะนั่งรถก็ภาวนาได้ใครขึ้นรถเมย์บ้างมีไหมยังขึ้นรถเมย์อยู่มีไหมรอรถเมย์นานๆสบายใจั้มลำคาญหงุดหงิดเมื่อก่อนเขามีอะไรนะขอสอมออ ก, กอเดี๋ยวนียังอยู่ไหมนึกว่าเจ๊งไปแล้วนะขาดทุนเลย <laughs> ยังอยู่อีกนี รถเมย์นานๆมาคันหนึ่งมาก็แน่นมาเลยเรารอรถเมย์เราก็กลุ้มใจเห็นรถเมย์มาดีใจโอ้แต่แน่นเหลือเกินกังวลใจมันจะขึ้นได้หรือเห็นรถเมย์ว่างๆมานะวิ่งผู้เลงผู้เล ง, เงมาดีใจโอ้ว่างมามันไม่จอดนถ้ามันจอดเก่งมันไม่ว่างนี่เป็นหลักธรรมดาเลยนี่มันไม่ค่อยจอดนะพอมันเลยไม่จอดทําท่าจะไม่จอด เราก็เริ่มด่าแล้วด่าในใจนเชียดแค้นมากเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเร็วอย่างน้อนเร็วอย่างนี้เนี่ยโทรศัพ์ขึ้นถ้ารถมันจอด mm hmm. ก่อกระไดได้ก็ดีใจแล้วก่อกระไดนานๆก็เมื่อยไม่ดีใจอีกละอยากจะหาที่นั่งได้ก็ดีใจพอได้ที่นั่งโหนมาตั้งนานได้ที่นั่งแล้ว รถติดนะนั่งอยู่นั่นอนะไม่ได้ไปไหนเลยนั่งนานไปแล้วชักไม่ชอบอีกแล้วเนี่ยใจอะพลิกตลอดเวลาเลยนะทีก็เห็นคนทำอะไรแปลกๆคุณถือ ด, ดูก็ํำดีใจก็ํำได้บางทีก็เห็นนั่งรถไปนะเห็นรถติดไฟแดงนะคุณแม่ก็ขับรถนะคว้ากระปุกข้าวเลยยัดใส่ปากลูกนะกินข้าวกินข้าวเดี๋ยวไฟเขียวอะไรเงี้ยยัดยัด ลูกก็ไม่ค่อยกินแม่ก็โมโหนะที่ยัดไปยัดมายัดเอาจมูกลูกแทนนะรถมันเคลื่อนอะไรอย่างนี้นะมีอะไรให้ดูตั้งเยอนะเลยเราก็เห็นใจของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อย เ, อยเวลานั่งเรือใครเคยนั่งเรือนั่งเรือรู้สึกไหมเวลานั่งเรือเนี่ยความรู้สึกมันไม่เหมือนนั่งรถนี่ความรู้สึกมันต่างกันยิ่งนั่งเรือยาวๆนะไกลๆลมเย็นๆนะ ไปสังเกต ด, ดูพวกที่ลงเรือนะตาจะใสใสตาจะใสๆสผ่อนคลายถ้าเรือไม่ล่มซะ ก, ก่อนนะ <c oughs> บางทีเรือแน่นๆใจนี่เลืักเลเลยหลวงพ่อว่ายน้ำเก่งอยู่ว่ายน้ำมาแต่เด็กๆลงเรือด่วนเนมะื่อก่อนเนี่ยจากเมืองนอนไปทำงานไปเทเวศนะโอบางวันแน่น ต้องพยายามไปเกาะท้ายไว้ไปอยู่ตรงกลางนะว่ายน้ําเป็นก็ไม่รอดหรอกออกมาไม่ได้คนตั้งเยอะแยะเี่เรือแน่นมากใจกงังวลรู้ว่กากังวลนี่นการภาวนานนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรพอเราทําสมาธิพอใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้แล้วนะเรามาดูกายมันทํางานมาดูใจมันทํางานตัวอย่างที่ยกให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องการดูจิตใจเท่านั้นเลย ดู ก, กายก็ได้นะอย่างเรากวาดบ้านขวดบ้านไปก็เห็นร่างกายมันกวดบ้านใจเราเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวเคลื่อนไปเคลื่อนไปกวัดไปกวัดมาบานะงทีใจก็กลับมาดูจิตได้นะกวดแล้วชักมโมโหคนอื่นโอ้มันไม่มีใครช่วยเรากวาดเลยเรากวาดอยู่คนเดียวมันทำโศกโปรกทุกคนแต่เรากวาดคนเดียวชักโมโหแลนะเนะเป็นไหมเนะีเป็น ตอนเราไปมาที่วัดเนี่ยไม่มีใครมาช่วยกวาดเลยมาทําสกัดปรกนะพวกเด็กๆ เ, เขาก็กวาดกันนะพวกคนงานนะแต่ว่าถ้าทางไม่ค่อยโมโหอารมณ์ดีเขาก็ฝึกกรรมาฐานกันนะนี่เรากวาดบ้านนะเราเห็นร่างกายทํางานเราเห็นจิตใจทํางานซักผ้าก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ไปใช้เครื่องซักกันหมดแล้วเสียกรรมาฐานไปซันะกผ้าด้วยมือเนี่ยดีมากเลยนะซักผ้าด้วยมือเนี่ย อย่างหน้าหนาวเนี่ยหน้ากลัวสักผ้าตั้งกระมังหนึ่งอากาศก็เย็นน้ำก็เย็นนะเนี่ยได้ดูดูร่างกายทางานดูจิตใจทางานไปเรื่อยๆหรือเวลากว่าบ้านหน้าร้อนก็ดีเหมือนกตกๆเนี้ยนะโมโหดีดูง่าย <c oughs> เดยวนี้ก็ไปซื้อเครื่องมาถึงเวลาก็เอาผ้าใส่เครื่องกดไปแล้วตัวเองก็นั่งหลไปเรื่อยๆ น, น้ำไหลท่วม ดูสิเสียกรรมฐานแทนที่จะได้ซักผ้าไปดูกายดูใจไปเอาเครื่องซักซะเราไม่ต้องทำเราเวลาไปทำอะไรซึ่งไม่มีสาระฝึกนะฝึกตัวเองงั้นทุกอย่างในชีวิตรเราเนี่ยทำกรรมฐานได้หมดเลยถ้าทำเป็นคล้ายๆวิชานินจาไหมวิช า, าของหลวงพ่อเนี่ยวิชานินจาเนี่ยนะทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดเลย ทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดวิชาที่หลวงพ่อสอนให้ทุกอย่างเป็นกรรมฐานนะกุศลก็สอนกรรมฐานเรานะอกุศลโลภโกรดหลงก็สอนกรรมฐานเรารูปธรรมก็สอนกรรมฐานเราอย่างร่างกายนี้ก็สอนให้เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมก็สอนความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความสุขความทุกข์ก็สอนกรรมฐานความดีความชั่วก็สอนกรรมฐาน เพื่นทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเหล่านี้เนะีสอนกรรมฐานเราได้หมดเลยแล้วเราค่อยสนใจคอยเรียนค่อยรู้ไปนี่แหละคือการเจริญปัญญาเรียกว่าการเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตประจําวันบางคนเจริญปัญญาได้เฉพาะตอนอยู่ในสมาธิหรือทำในรูปแบบอยู่ในชีวิตจริงเจริญไม่ได้เพื่อนชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่ข้างนอกนี่ไม่ได้อยู่ในห้องกรรมฐาน เก่งเฉพาะในห้องกรรมฐานออกมาอยู่ข้างนอกทำไม่เป็นนะวันๆหนึ่งจะได้สักเท่าไหร่เนี่ยหลวงพ่อนะหลอมรวมกรรมฐานเนี่ยเข้ากับชีวิตจริงๆเลยตั้งแต่ตื่นนอนตื่นขึ้นมาจิตเป็นยังไงกายเป็นไงจะอาบน้ำจะกินข้าวจะขึ้นรถนะจะทำอะไรต่ออะไรนะดูกายดูใจไปดรวยก็ทั้งนั่งประชุมนะก่อนทำงานประชุมเห็นคนที่มาประชุมเนี่ยบางวันเนียโอ้วพวกนี้ฉลาดฉลาดทั้งนั้นเลย เก่งๆทั้งนั้นเห็นหน้าเราก็ดีใจแล้ววันนี้เราจะได้ความรู้ดีใจเราก็รู้บางวันนะเห็นไอ้คนที่มาประชุมนะวันนี้ไม่ได้อะไรหรอกต้องมาฟังอีตาหนี้บน่นะมนุษย์ลุงมนุษย์ป้ามนุษย์ปู่อะไรเงี้ยนะโอ้มันบ่นอยู่นะไม่ีมีเนื้อหาหรอกเนี่ยเห็นหน้าก็เซ็งแล้วสุดท้ายก็ใช้วิธีของพระนะนี่รถติดไฟแดงเห็นเดือดร้อนล้วก็พูดโทไปสิไอ้นี่อีตาหนี้มันเริ่มพูดนะ แล้วก็มองเราฝึกกรรมฐานลืมตาหลวงพ่อฝึกกรรมฐานเนี่ยคนไม่รู้เลยว่าพานาไม่พานาลืมตาอยู่นี่และลืมตานั่งฟังเขาพูดแต่ไม่ได้ฟังหรอกนานๆนนก็ออกมาฟังทีนึงแต่ลืมตาไปนะเห็นคนอื่นพยักหน้าก็พยักตามเขาไปด้วยนานๆนนก็ออกมาฟังทีหนึ่งเห็นไหมกระทั่งเวลาฟังพวกไรสาระนะแล้วเราหนีไม่ได้ เราต้องฟังเนี่ยก็ทำกรรมฐานได้นะเราก็ดูกายดูใจของเราไปไม่ว่าทำอะไรนะดูของเราได้นะงั้นฝึกนะครูบาอาจารย์ท่านบอกเลยว่าสำคัญที่สุดเลยคือการฝึกในชีวิตประจำวันให้ได้เพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ตรงนี้นะเอาต่อไปให้ส่งกันบ้านนะให้พวกอยู่วัดก่อนก็รู้สึกว่า มีความอยากเยอะมากความโลภอะค่ะแล้วก็จิตไม่เป็นกลางแล้วก็มีมานะค่ะเออดีใช้ได้อ่ะผ่านบางคนงงนะผ่านอะไรว่ามีแต่กิเลสทั้งนั้นเลยนะอ้าวมีกิเลสแล้วเขาเห็นนะพูดให้เจ้าบอกนะจิตเป็นอกุศลแล้วเห็นว่าเป็นอกุศล น, นะดีนะถ้าเป็นอกุศลไม่รู้อกุศลเนี่ยไม่ดีเป็นกุศลแล้วไม่รู้ว่ากุศลก็แย่นะถือว่าใช้ไม่ได้เหมือนกันอ้าวว่ามาครับก็ กำลังกลังสมาธิยังอ่อนอยู่ครับอ่อนก็ทำเอาสมาธิชนิดไหนอ่อนอสมาธิที่ใช้ในการวิปัสสนาครับออให้ฝึกเท่ั้นก็ทำกรรมฐานในรูปแบบนะแล้วไปรู้ทันจิตที่เคลื่อนเียสมาธิทําวิปัสสนาก็จะแข็งการรัร <Yeah. S 2> กนน า, าการครับหลวงพ่อมาอยู่วัดก็มีบังคับอยู่เรื่อยๆครับหมายถึงว่ามันจะตึง แล้วบางทีมันก็จะหย่อนแล้วก็เผลอไปเลยอะไรประมาณนี้ครับต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่กัลบลมอยู่กับพุโทโธอยู่อะไรก็อยู่นะแล้วหนีแล้ว ร, รู้ไปไปถ้าไม่มีเครื่องอยู่ก็ใจจะหนีนานฟุง้งซานไม่มีแรงต่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่พะพอดีว่ามีโอกาสได้ ฟังซีดีหลวงพ่อนะคะแล้วก็นําไปปฏิบัติก็ดูสภาวะจิตตอนนี้ชอบไหลออกไปข้างนอกแต่พอรู้ทันปุ๊บอะค่ะมันก็กลับมารู้สึกเหมือนจะแบบป่งโป่งโล่งโล่งแต่พออีกแป๊บหนึ่งมันก็ไหลไปคิดเรื่องอื่นอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะถูกแล้วล่ะค่ะธรรมชาติของจิตต้องส่งออกนอกนี่ส่งออกไปแล้วรู้ทัน ไ, ไวๆนะมันก็ไม่ปรุงยาว แต่ก็ตื่นขึ้นมาสบายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่พอมันจําได้ว่าจิตที่รู้สึกตัวเป็นไงนะบางทีมันแกล้งทําขึ้นมานะถ้าอย่างนั้นตัวรู้จะแข็งแข็งอย่างนั้นใช้ไม่ได้ถ้าแน่นๆนะหยุดเลยทําผิดละค่ะไปทําต่อคขอบพระคุณค่ะคำนวัตการครับหลวงพ่อก็คือก็ยังเหมือนภาวนาด้วยแบบ ศรัทธาอย่างเดียว ส, สติสมาธิมันก็ไม่มีเลยช่วงตั้งแต่ช่วงปีนี้ครับคือ ส, สติสมาธิน้ําเป็นอนัตตาสั่งให้มันเกิดไม่ได้ต้องทำเหตุของมันเหตุของ ส, สติก็คือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นก็ต้องพยายามดูสภาวะบ่อยๆเช่นดูใจที่มันสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างดูบ่อยๆถ้าหาดูบ่อยๆแล้วต่อไป ส, สติถึงจะเกิดนะ ถาจิตมันจำได้ว่าอ๋อโลภเป็นอย่างนี้โกรธเป็นอย่างนี้สุขเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วสติถึงจะเกิดส่วนสมาธิจะเกิดได้นะจิตต้องมีความสุขถ้าจิตไม่มีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรนะก็ไม่ไม่มีสมาธิหรอกก็ต้องสังเกตตัวเองว่าอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขก็อยู่กับ น, นั้นบ่อยๆจิตก็ได้สมาธิขึ้นมานี่ถ้าจะฝึกสมาธิชนิดตั้งมั่นก็อาศัยสตินี่แหละคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลไปคิดแล้วรู้ไหลไปคิดรู้หัดรู้บ่อยๆ ตัวนี้ดีนะอย่างเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตไหลไปคิดแล้วรู้เนี่ยได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลยเพราะว่าจิตจําสภาวะที่จิตเคลื่อนได้พอจิตเคลื่อนปุ๊บสติก็เกิดโดยที่ไม่ได้เจตนาแล้วทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนสมาธิก็เกิดโดยไม่ได้เจตนาดังนั้นการที่เราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยเป็นกรรมฐานรวบยอดอย่างหนึ่งนะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลย ไปทำบ่อยๆนะนันนก็เก่งจนได้นะถ้าเราไม่ได้ทำเหตุมันไม่เกิดร อ, อกสติก็เป็นของเสื่อมสมาธิก็ของเสื่อมได้เจริญได้ก็เสื่อมได้ต้องทำเหตุบ่อยๆมันถึงจะเจริญสั่งให้ดีก็ไม่ได้นะสั่งให้มีสติก็ไม่ได้ห้ามขาดสติก็ไม่ได้สั่งให้มีสมาธิก็ไม่ได้ห้ามขาดสมาธิก็ไม่ได้ นมันน้ำมัสาการหลวงพ่อนะครับ อ, อคือผมมีปัญหาตรงไม่ค่อยมีความสุขอมันก็ไม่ค่อยมีสมาธิครับไม่มีความสุขนะเราก็ทําให้มันมีความสุขได้เราเจริญเมตตาไปเรื่อยๆใจที่มันไม่มีความสุขเนี่ยเป็นใจที่มีโทสะยืดพื้นอยู่งั้นกรรมฐานที่ดีก็คือเจริญเมตตาบริกรรมไปเรื่อยๆนะเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตานะ เห็นไหมฟังเสียงหลวงพ่อออกไหม ม, มีความสุขครับผมไปทำบ่อยๆนะไม่มีอะไรทําก็บริกรรมอย่างนี้แหละเดี๋ยวความสุขก็เกิดเองแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดิ์ทิคารองพระเออสองบอกเขาว่าเวลาเราพูดสังเกตไหมเวลาพูดเราก็คิดนะแล้วเราก็เผลอเราหลงไปในการพูดเราเผลอในการพูดดูออกไหม เอเพราะงั้นเวลาพูดเนี่ยนะใจมันจะเผลอไปถ้าเรารู้ทันว่ามันเผลอใจมันก็ตื่นขึ้นมาเขาเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ฟุ้งซ่านเขาเออจะเวลาที่ฟุ้งซ่านไม่รู้ว่าต้องกําอัดดูกายดูจิตหรือนั่นแหละคอย ร, รู้ทันไงโดยเฉพาะเวลาคุยฟุ้งแรงเพราะงั้นเวลาใจมันอยากคุยแนละ้วรู้ทันมันเลยแล้วเวลาคุยแนละ้วใจมันไหลไปใจมันเคลื่อนไปมันจะเลิอเล่อเพลินไป ก็คอยรู้เอาเขาบอกว่าเขาชอบออคิดครับนั่นแหละคุยอยู่คนเดียวคุยคนเดียวคุยในยใจ <c oughs> ให้รู้ทันว่าใจมันฟุ้งซ่านไม่ห้ามนะถ้าห้ามเราเครียดถ้าเครียดแล้วผิดก็ให้รู้ทันว่าใจมันหนีไปคิดเพรนฝึกตรงเนี้แหละถ้าทําได้ก็จะเก่งเร็ว พอใจหน sure. ีไปคิดเรารู้ทันนะมันก็ดับตรงนั้นเห็นจิตเนี้ยเกิดดับเดี๋ยวจิตคิดก็เกิดเดี๋ยวจิตรู้ก็เกิดแต่ถ้ารู้ไม่ทันใจหนีไปคิดเดี๋ยวมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์ถ้าเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วค่อยรู้ตอนที่เกิดสุขเกิดทุกข์ก็ยังใช้ได้ถ้าเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วยังไม่รู้นะก็จะเกิดกุศลอกุศลขึ้นเช่นมีความสุขก็เกิดโลภมีความทุกข์ก็เกิดโกรธเงี้ย ไปรู้ทันใจที่โลภที่โกรธอะไรพวกนี้ก็ยังใช้ได้แต่ถ้ารู้ไวก็จะเห็นตั้งแต่จิตคิดก็จะเห็นว่าจิตคิดก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงถ้าอย่างนั้นก็ได้เร็วที่สุดอนะตัดต้นต่อของมันไปเลยงั้นคอยรู้ทันจิตที่คิดบ่อยๆนะถ้ามันคิดเก่งนะักก็หาคําบริกรรมมาให้มันจะบริกรรมอะไรก็ได้นะภาษาจีนเขาบริกรรมอะไรบ้างอะอาเมโตฟ เออนั่นแหละบริกรรมงั้นแหละแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปถ้าจิตนี้ไปคิดก็รู้นะถ้าจิตไปเพง่งตัวเองแน่งทื่อๆอยู่ก็รู้นะอะไรนะอมิตตภะ อ, อีกค<ผ>อีกคนนะี้ขอถามอ้าวว่ามาท่านถามว่าเวลาเอ่อต่ายนงพ่อว่า ส, สมาธิมีสองแบบ ท่านถามว่าควรทำสมแบบหรือทาแบบที่สองครับแบบที่สองสำคัญที่สุดนะทำได้สองแบบก็ดีถ้าทำได้แบบเดียวก็ทำแบบที่สองแบบที่สองก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึง่งจิตหนีไปแล้วรู้นะได้จิที่ตั้งมั่นขึ้นมาแต่ถ้าทำแบบแรกได้ด้วยก็ดีเวลาเหนื่อยเหนื่อยจะได้พักผ่อน แบบแรกก็ไม่ยากอะไรสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปห่วงว่าจะสวดไปกี่รอบสวดไปเรื่อยๆนะสวดไปเรื่อยๆพอใจมันสบายมันก็ได้สมาธิอย่างแรกกราบนมัสการหลวงพ่อครับก็จะมารายงานผลการปฏิบัติโดยสรุปในช่วงห้าปีครับ <c oughs> ก็คือเปลี่ยนจากคนชั่วเป็นคนดีครับโอบดีจังเลยก็ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เห็นความชั่วที่มันละเอียดขึ้นดีนะดีครับแต่ว่าก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นตัวเราแล้วมองว่าไอ้ติดก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ความชั่วก็ส่วนหนึ่ง<อ>แต่ก็ยังละไม่ได้หรอกครับ<อ>แต่ว่าก็เห็นอยู่เรื่อยๆว่ามันแยกมันเหมือนกับเป็นเงาตามตัวเราเออดีแล้วละ่ะครับถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าพอนาเก่งนะใช้ได้แล้วละ่ะครับ หัดดูไปเรื่อยแต่เราไม่แทรกแซงมันหรอกรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยจะเห็นเลยว่ากิเลสก็เกินดับจิตเองก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่เราหรอกรนะดูไปเรื่อยมีแต่ของไม่ใช่เรามีแต่ของไม่ใช่เรากระทั่งจิตมันก็ทํางานของมันเองนะดูอย่างนี้แหละดีแล้วละเอออย่างเนี้ยฟังแล้วเป็นยาอายุวัฒนะหน่อยภาวนาครับหลวงพอมีอะไรจะต้องอปฏิบัติเพิ่มเข้าอีกนะปฏิบัติอะไร ดูอย่างที่มันเป็นนี่แหละถ้าเราคิดเรื่องการปฏิบัติเมื่อไหรนะเราคิดว่าทํายังไงจะดีไม่ดีสักทีเลยทําทีไรผิดทุกทีเลยงั้นเรารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนะแล้วพอมันฟุ้งซ่านก็ทําความสงบไปเท่านั้นเองถึงเวลาเขาก็เป็นของเขาเองครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะบอกว่ามันเหมือนผลไม้เราก็รอเวลาให้ผลไม้นี่สุกงอมพอนะผลไม้สุกงอมแล้วหอมหวาน เราอย่าไปรีบให้บรรลุเร็วๆนะไม่หอมหวานอะไรแบบนี้ครับดีแล้วละ่ะพอนาดได้อย่างนี้แล้วก็อีกเรื่องขออดโทษกับหลวงพ่อด้วยคือผมเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าไม่เชื่ออะไรง่ายๆก็ดีแล้วหลวงพ่อก็ไม่ค่อยเชื่ออะไ ร, รอ๋อนะตอนที่มาฟังกับหลวงพ่อใหม่ๆก็เนื่องจากเราศึกษาพระไตรปิฎกมาเยอะนะะอืก็เลยอืมใช่แล้วท่านไม่ได้พูดถึงไว้อออืเพอมีวันหนึ่งครับ หยิบซีดีหลวงพ่อมามาฟังดูอเฮ้ย ใ, ใช่นี่คือ <c ười> พอฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าคนละอัดคนละพยัญชนะกันนี่คนละภาษาเท่า น, นั้นนหะครับะก็เลยว่าโอ้โหโเราต้องเราต้องไปขอโทษหลวงพ่อแหละดด <c oughs> อัฐานะอ่านเดียวกันแต่พยัญชนะมันเปลี่ยนครับทําไมหลวงพ่อเปลี่ยนเพราะพยัญชนะในตําราเนี่ยมันเป็นพยัญชนะเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนเป็นภาษาที่ใช้เมื่อร้อยปีก่อน ศาสนาสมัยกันที่ห้ามาถึงยุคเราเนี่ยฟังแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเราเริ่มแปละและครับ <นะ S 2> ก็ขอขามาหลวงพ่อด้วยครับจเจริญความเจริญในธรรมดีหลวงพ่อเองก็เป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายนะนี่ใส่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วงั้นลูกศิษย์เชื่อง่ายไม่ค่อยนิยมหรอกแต่ลูกศิษย์ดื้อนี่ไม่ชอบเลยนะไม่เชื่อกับดื้อเนี่ยไม่เหมือนกันนะ ไม่เชื่อเนี่ยฟังครูบาอาจารย์พูดให้ฟังยังไม่เชื่อเพราะยังไม่ได้เห็นด้วยตัวเองก็ลองไปปฏิบัติดูอย่างนี้ไม่เรียกว่าคนดื้อไอ้พวกไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ไม่ทําเนี่ยเรียกว่าดื้อบางคนดื้อตาขวางบางคนดื้อตาใสมีดื้อหลายแบบตัแต่นเป็นประเภทที่ครูบาอาจารย์เบื่อทั้วนั้นแหละครูบาอาจารย์จะอุเบกขาพวกเนี้แต่ที่ไม่เชื่อนะเราไปลองทำเนี่ชอบนะ ชอบมากเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรางมงายนะเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องใหญ่นะก็ต้องรักษาเอาไว้เวลาอ่านแล้วก็อย่าไปตีความตามใจชอบมีปัญหามากเลยคนที่ไม่ได้เรียนอย่างจริงจังนะชอบไปตีความพระไตรปิฎกแล้วมันเพี้ยนหรือรู้ไม่ทั่วถึงรู้บางส่วนไม่ได้รู้ ทวถึงไม่ได้เรียนจริงกันงั้นเรื่องพระไตริดิดกเนี่ยเราต้องการพระปริยัตมาช่วยรักษานะเั้นเรานักปฏิบัติอย่าไปดูถูถกพระปริยัตต้องมีถ้ามีแต่นักปฏิบัตินะตีความเอาเองพูดเอาเองมีภาษาของตัวเองแล้วมันพูดกับไม่รู้เรื่องสํานักนี้พูดกับสำนักนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกผิดถูกต้องชี้ได้ ชี้ได้เพราะว่ามันจะลงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอันตรายมากเลยถ้าเราไม่ได้ศึกษาปริยัติให้มากพอแล้วไปวิจารณ์ปริยัตินะหรือไปสรุปว่าปริยัติจริงๆมีแค่เนี้ยคืออย่างเนี้ยนะอย่างอื่นผิดนะอันตรายมากเลยกลายเป็นสร้างสัตธรรมปฏิรูปโดยไม่รู้ตัวเลยงั้นพราเรียนปริยัติก็ต้องยกย่องนะ นับถือแต่ภาพปฏิบัติปฏิบัติแล้วพาเราเข้าโลกเข้าพงก็ได้อ่ะมาที่คนจีนต่อเขาบอกว่าใจของเขาจะเอ่อเครียดง่ายแล้วเอ่อแตนเต้นมา ก, ากจะไม่รู้ว่าต้องดูยังไงครับก็รู้ว่าเครียดสิอย่าไปอยากให้หายตื่นเต้นให้ยอมรับมันใจเราเป็นยังไงก็ยอมรับไปใจมันคิดตื่นเต้นคิดกังวลคิดโมโห เป็นตระกูลโทสะนะตรกูลโทสะเนี่ยดูง่ายที่สุดเลยไม่ต้องไปให้หายหรอกให้รู้อย่างที่มันเป็นแล้วลองดูซิความตื่นเต้นนะคงที่ไหมเห็นไหมว่าบางทีก็ตื่นเต้นแรงบางทีความตื่นเต้นก็น้อยลงนะให้ความตื่นเต้นเองก็ไม่คงที่หรือความโมโหก็เหมือนกันความโกรธเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หายไป ความตื่นเต้นเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หายไปเนี่ยดูทุกอย่างให้เห็นว่ามันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันค่อยๆรู้ไปนะรู้อย่างที่มันเป็นถ้าใจเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองไม่ต้องอยากให้หายมันเศร้าก็รู้ว่าเศร้าไม่ต้องอยากให้หายเราก็จะดูเดี๋ยวก็เศร้าแรงเดี๋ยวก็เศร้าน้อยลง เดี๋ยวก็หายเศร้าเดี๋ยวเศร้าใหม่ใจก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็จะเห็นว่าใจเนียเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจจะไม่หวั่นไหวใจมีความสุขหมดละเชิญกลับบ้าน